ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายต้รมระปติยานได้นำเสนอท่านผู้ฟังในหัวข้อศีลบรรมีมาโดยลำดับแล้วก็มีการจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความออกไปส่วนใหญ่ก็มาจากศีลนิเทศในปฏิสัม์ในวิสุทธิมักทีนี้เราเมื่อเราพูดถึงศีลที่เรียกว่าปาริสุท ธ, ธิศีลของนักบวชนะ โดยเฉพะอย่างยิ่งก็คือเน้นไปที่พระกับภิกษุกับภิกษุณีแต่ท่านฟังลองสังเกตว่าระดับหนึ่งก็คือเรื่องของชาวบ้านทั่วไปประชาบ้านก็ต้องรักษาศีลตามบทบัญญัติอย่างน้อยระห้าข้อแล้วต้องมีการสํำรวมระวังเวลาการดูการฟังเป็นต้นเรื่องอะไรควรรู้ควรฟังหรือไม่ควรกินหรือไม่ควรกิน ควรดมหรือไม่ควรด ม, คว ร, รมควรซื้อไม่ควรซื้อควรทาไม่ควรทาอะไรแต่ไรเนี่ยลองสังเกตว่าเราเจอมนุษยพิษกันอยู่ยเยอะเลยนะเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันการเลิ้งชีพเนี่ยค่อนข้างละเมียดละไมเราคงแก้ไขสภาพต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ได้ยุคไอชียุคสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยมันมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆมากมายเลยกัน คือบางครั้งบางข่งาวก็นึกไม่ออกนะอาจจะบวชเป็นพระหยุดนานก็เลยมองภาพของชาวบ้านไม่เคออกว่าทำไมไปเพิ่มภาระใหะ้แกตัวเองมากโดยเกิดมันรุงรังไปหมดหนะไปที่ไหนก็พกทั้งโทรศัพท์พกทั้งเพรลิงก์พกทั้งอะไรไม่รู้อยู่ตามเอวเนี่ยตั้งสองสามอันนะไม่รู้อะไรและเวยนี้ยังมีการทำโฆษณาอยู่เยอะอเลนปัญหาว่า ใจิตใจเราก็ไม่สงบเวลาไปไหนมาไหนแทนที่จะได้พักผ่อนได้คิดถึงภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทำจะต้องจัดเตรียมในข้างหน้าเนี่ยก็มาเสียเวลาไปเล่นเกมไปเล่นอะไรอะรจะรุ่นวายไปหมดคือการโฆษณาดีเราห้ามเขาไม่ได้แต่การสารวมใจิตใจของเราไม่เกิดความยินดียินไรเนี่ยเป็นภารกิจ แล้วการเลี้ยงชีวิตการแสวงหาการได้มาการครอบครองก็เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตแล้วก็การพิจารณาปจัยสียิ่งยิ่งมีความจะเป็นมากยิ่งขึ้นคือบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะมีไปทำอะไรไม่มีไปเพื่ออะไรมากมายแกลกอง เราเห็นว่าคนที่ใหญ่คนโตนะแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จย่าที่รู้ข่าวมานะฮะรู้มาจากเอกสาร ต, ต่างๆว่าก็ไม่เคยมีอะไรมากไม่รู้ราวผู้ฝ้าอย่างที่คนเขาคิดว่าน่าจะเป็นเป็นชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ท่านก็อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นลักษณะที่เรียกว่า ตัวตายแต่ชื่อเสียงเกติคุณยังอยู่มันก็เป็นแบบน่าศึกษาอยู่แล้วตัวนนั้นก็เป็นศีลในรูปที่ว่าสะท้อนออกมาจากตัวตนของบุคคลในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นเป็นนักบวชทึ่มีชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านเนี่ยความบกพร่องในเรื่องสีเรื่องเกาเรียกว่าบกพร่องในระดับศีลบกพร่องระดับอาจาระบกพร่องระดับอาชีิวะบกพร่องระดับ ขาดการพิจารณาปัจจัยสีเนี่ยที่จริงก็คือเรื่องสีนั่นะมันทำให้การบริโภคอาหารซึ่งเกิดขึ้นในศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาต่อวท่านแบ่งการบริโภคเอาไวเ้เป็นเป็น4ระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่าทยะบริโภคคือบริโภคอย่างขโมยเช่นพวกปลอมบวชมาไม่มีสถานะที่จะได้รับอาหารบิณฑ บ, บาตจากชาวบ้านที่เขามีสถานในพระสงฆ์ แต่ตัวเองก็ปลอมบวชเข้ามาได้อาหารเหล่านั้นมาก็บริโภคในฐานะเป็นขโมยหรือเขาไม่ได้จัดเจียมให้เธอกินแต่ว่าเธอก็มาในรูปแบบของสมบะแล้วก็ไปหลอกอาหารเขากินประการที่สองนั้นอิณะบริโภคคือว่าเราก็เป็นนักบวชนั่นแหละแต่การ ป, รปฏิบัติของเรายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ก็ไม่มีสิทธิ์เต็มที่คือไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอาหารนั้นเต็มที่ตวคนที่เป็นเจ้าของจริงๆต้องเป็นประหรันพระหันยังเรียกว่าสามีนะแปลว่าเป็นนายหรือเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของที่เราอธิบายสังกคุลว่าสามีจิตปฏิ ป, ฏ ป, ฏปโนโอปกตโตสปะกัสังโคประการที่สามเขาเรียกว่าดารัชชาบริโภคคือบริโภคในฐานะที่เป็นมรดกหมายความว่าเราอยู่ในศีลในธรรมเหมาะควรแก่สถานะ ก็สิ่งเหล่านั้นเป็นเราบริโภคในฐานะเป็นทายาทแต่ถ้าให้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ระดับที่เรียกว่าเป็นพระอระหรันต์เรียกว่าสามีบริโภคจำนวนเหล่านี้พระมากระสปะท่านเล่าให้พระอนุนฟังว่าท่านบริโภคอาหารอย่างเป็นนี้อยู่แปดวันหมายความว่าคือพระมากระสปะในท่านบวชพิเศษนะฮรท่าน รวมผมลงผมภาคกาสายะบวดอุทิตพระหานทั้งหลายในโลกท่านยังไม่รู้ว่าตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรือไม่เนี่ยท่านตั้งใจอุทิตอย่างนั้นแต่พอดีพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาตอนดับมารออยู่พระมากษัตริย์ปเห็นก็ตัดใจได้เลยนะพระพุทธเจ้าแกไปพุทธเจ้าก่อนกว่านน ะ, ะากษัตปะก็ตัดใจได้เลยว่าองค์เนี้ยเป็นพระหานก็เข้าไปมอบกายถวายชีวิตเป็นสาวก ก็ไม่ต้องให้บวชอ่ะเพราะว่าท่านบวชมาแล้วพระเจ้า ก, ก็เพียงแต่ประทานโอวาทสามข้อให้ก็ชื่อว่าท่านบวชด้วยแบบเอหิปิคุปสัมปัธาตอนบาเป็นเพียรอยู่เจ็วันนะวันที่แปดก็บรรลุมรกรุผลเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าบริโภคอาหารที่เป็นหนี้อยู่เพียงแปดวันแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นหนี้บริโภคในฐานะเป็นนายแต่นี้ก็เป็นประดับอุด ม, มคตินะ ยังไงยังไงเราก็เริ่มจากการเป็นนี่มาก่อนแหละแต่ว่ายังไงก็ใหญ่ถึงก็เป็นขโมยแล้วกันคือสองข้อเนี้ ม, นมันมันต้องมีแน่ในตอนต้ น, น, นเหมือนกับเราบริโภคอาหารของพ่อแม่ในที่จริงเราก็บรโภคในฐานะเป็นนี่ซึ่งจะต้องดใช้อย่างสำนวนในชาดกเนี่ยต้นกล่าวถึงนกแขกดาวพระโพธิสัตว์ ก็ไปกินอาหารไปกินข้าวสาลีในนาของชาวนาข้าวสาลีแล้วนกตัวอื่นมันก็กินแล้วก็บินกลับไปแต่ว่านกแขก้าวเนี่ยไปฆ่า เ, าเป็นรวงรวงไปด้วยนะเอากลับไปแต่ของนาเขาก็สงสัยเลยก็วางแผนจับได้พอสอบถามทราบความว่าที่ท่านเอาไปเนี่ยไม่ใช่เพราะโรคหรอกแต่ว่าท่านเอาไปใช้นี่ ท่านเอาไปฝังไว้ในแผ่นดินท่านเอาไปให้กู้เขามาใช่นี่ก็คือเลี้ยงดูเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชาราบินหาอาหารไม่ได้ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูลูกที่เล็กๆอยู่บินออกห า, ากิ น, นยังไม่ได้ฝังไว้ในดินก็คือเป็นบุญแด้แก่เลี้ยงดูนกพิการต่างๆที่อยู่ในรังออกหากินไม่ได้ก็ท่านก็เอาไปเลี้ยงดูเขา เจ้าขางนาเกิดศรัทธาเรื่องสายก็มอบให้มอบนาบแปลงหนึ่งนะฮะให้สามารถมากินได้โดยปกติจะไม่มีใครทำอันตรายเลยนี่ก็คื อ, คอการปริบัติในแนวนี้บางครั้งมันก็เป็นการบริโภคในฐานะเป็นนี่เขาลูกเนี่ยมันก็กู้นี่พ่อแม่นะเราก็ต้องไปชดใช้แต่ไม่ใช่พ่อแม่ว่าเราต้องคิดเอง เราต้องคิดตัวเองว่าเพราะแม่ในทำงานมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากมาเลี้ยงดูประทาบํำรุงเรานะกินอยู่รู้ราผู้ฝาได้สะดวกสบายเนี่ยเหมือนก็โเรากูนี่ท่านมาเพราะนั้นวันต่อไปเราต้องใช้นี่รือต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทีนี้ประการต่อไปนั้นเป็นศีลที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีเหมือนกันแต่อีกลักษณะอย่างหนึ่งคือหมายความว่าความบริสุทธิ์ส่วน ของอนุปสัมพันธ์ในความว่าเป็นศีลรับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่รักษาได้บริสุทธิ์อย่างศีลหน้าประการเนี่ยถ้าสาธุชนเนี่ยรักษาได้บริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นศีลประเภทนี้แต่ว่าอนุปสัมพันธเนี่ยมันความหมายครอบคลุมนะ ง่ายๆว่านอกจากผู้ผ่านพิธีกรรมอุปสมบทมาคือภิกษุกับภิกษุณีแล้วเนี่ยเป็นอนุปสมบันิทั้งหมดแต่ภิกษุณีเองเนี่ยสมบพระภิกษุแล้วก็มีฐานะเหมือนอะนุปสัมบัติวันตาอุปสมบันิก็หมายจะพอพระพวกเดียวเต็มเต็มที่สมบูรณ์นะฮะหมายจะพอพระพวกเดียวแต่อย่าลืมวาการเป็นอย่างนี้มันมีภาระผูกพันมันไม่ใช่เป็นอภิสิทธิชนจะมีภาระผูกพันเมื่อท่านเป็นอย่างนี้เธอต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ พพราถึงคำว่าเป็นอุปสมบันิแล้วนี่เรื่องใหญ่แล้วเป็นชาวบ้านชาวบ้านอยู่ตอนเช้าเนี่ยพอบวชปั๊บมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วจะต้องศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องฝึกปลืออบรมการทาธุระหน้าชี้ของนักบวชเนี่ยคําว่าอุปสมบัติก็คือผู้ที่ผ่านการอุปสมบทมาเพราะศีลบริสุทธิ์ส่วนสุดของนนอนุปสมบันิจึงเน้นไปฏิศีต้าประการ จึงก็หมายความว่าเป็นการรักษาศีลตามโครงสร้างเดียวศีลไม่ขาดไม่ทะลกไม่ด่าวไม่พร้อยเป็นอิสระแล้วไม่รักษาโดยตำหนามานะทิฏฐิมีอยูชนเพราะเห็นการรักษาศีลเราก็ยกย่องชื่นชมสรรเสริญและจิตใจมโนอเอียงก็าหาความสงบจนเข้าสู่สมาธิจิตคือจิตที่มีความสงบก็ถือว่าเป็นบริสุทธิระดับหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือความบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนสุดของอ น, นุปสัสมบัติก็หมายความว่าศีลเหล่านั้นยังค่อนข้างมีปัญหานในบางจุดไม่มีความลึกซึ้งพอหรือว่ามีความบกพร่องมันไม่ถึงกับออกมาทางกายทางวาจาแต่ว่ามีกิยามัญญาตหรือการกระทำบางอย่างที่ยังไม่เหมาะไม่ควรประการต่อไปนั้นเป็นการบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมของพวกกัลยาณนพะุทุชน พวนี้รักเสือกรักษาศีลแบบยอมตายที่ท่านยกตัวอย่างนะฮะว่าเหมือนอาจารมารีที่รักษาขนหางของมันท่านเล่านะฮะแต่เราว่าจาร์มารีเนี่ยหางแกสวยมากเป็นผู้ที่เราใช้เป็นแท้จาร์มรีเป็นเรื่องราชูประโภคประการหนึ่งถ้าหางมันเกิดไปเกี่ยวกับอะไรเข้าในขณะที่มันหนีอันตรายหนีเสือหนีหมาในหนีอะไรมาก็ตามแกจะไม่หนี แกจะต้องพยายามค่อยๆแกะขนหางแกออกมาโดยแม่ขาดและถ้าเสือมาทันทิ้งโตมาทันอะไรจะกัดก็กัดนะแต่แกไม่จะทําไม่ทําลายหางของแกผล ค, คนรักษาศีลประเภทนี้มันไม่จะธรรมดาหมายความว่าตายเป็นตายแต่ว่าจะไม่ทําลายศีลของตัวเองมันเกิดขึ้นจากการมองผลของกุศ ล, ลกรรมในรูปของสังสารวัตรคือหมุนวน คือถ้าเราถือว่าคนเราตายมาเกิดมาคนเดียวตายแตย่คนเดียวนี่จบนะฮะคือจะไม่รักษาในลักษณะนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรตายก็จบลงที่ตายแต่ว่าคนที่รัก ษ, ษาศีลได้ในลักษณะนี้เนี่ยเขาถือว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันอย่างอีกไกลจังสาววัดในฐานะที่สุดไม่ได้แต่ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าใครจะฆ่าเราให้ตายเนี่ย ก็อย่างมากก็ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเกินกว่า น, นั้นนะเพราะยังไงเราก็ตายอยู่แล้วแล้วก็ไม่แน่นะเขาไม่คาเราวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้มันไม่แปลกอะไรเพราะว่าชีวิตนั้นมันมีความตายเป็นที่สุดอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไรตายที่ไหนตายอย่างไรแต่ว่าตายก็ตายแน่เพราะฉะั้นคนประเภทนี้ก็จะไม่สนใจเรื่องชีวิตแต่ก็จะไม่ทําลายศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ ซึ่งก็มีความประนีตลึกซึ้งขึ้นไปขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะพบว่ามีเป็นอนมากที่ท่านยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลที่พระโลกนาส่งมาจัดไว้ประการต่อไปนั้นเป็นศีลที่คือความบริสุทธิ์อันทิชิไม่จับต้องของพระเสขะเจ็ดจำพวกคือพระโสดาปฏิมรสดาปฏิผลสกิทาคารมสกิทกาไปฝนนครมีม นาคตมีผลอรหัตตะมักนะครับแต่ามากักในมันแป๊ดเดียว่นเนาะเกินับไม่ทันอะ่ะคือสรุปว่าศีลตรงนี้มันเป็นความบริสุทธิ์ที่ประนีตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ชิดชีเนี่ยมันหายไปตั้งแต่โนูน้นน่ะตั้งแต่โสดาบันนะตอนไม่รักษาเดิมหน้าของทิดชีของท่านไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าผิดก็คือผิดแต่ว่าผิดจะผิดได้ในกรณีที่เป็นเรื่องเรียกเป็นปณิติวัชชะคือมันเป็นระเบียบแบบแผนแอะไรต่างๆนะี่ย แต่ว่าผินผิดระดับที่เป็นบาปสากวดเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดมาตั้งแต่ปรโสดาบันแล้วแล้วก็ศีลข้อสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปัติสุทธิปาริสุทธิศีลคือศีลที่บริสุทธิสงบปฏิปัสปฏิบัสสัทธิก็คือสงบตลอดไปนะมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับ แผ่นกระจกหรือแผ่นอะไรก็ตามนะที่มีแรงวันมาหยอดไข่ลงไปเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนอนไม่มีโอกาสที่จะเป็นไ ข, ข่ขาวไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนอนเพราะว่าแผ่นกระจกนั้นไม่มีเชื้อแน้วภายในจิตใจของพระอรหันต์พระปฏเจกรรพุทธเจ้าพุทธเจ้านะพุทธสารจาพวกเนี่ยจะมีลักษณะอย่างกันคือไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระแทกจากข้างนอกแต่ว่าสามัญชนเราบางระดับ แล้วแม้แต่พระนาคามียนะฮะพระพระอภิชาตพระอร ะ, ระรยะบางระดับเนี่ยถ้าโดนกระแทกแรงๆเนี่ยบางจุดก็กระเทือนกระเทือนเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับออกมาโต้ตอบ อ, อะไรเพียงแต่ว่ากระเทือนเหมือนกันคืออย่างพระโสดาไม่ใช่พระสกตตาคานาคาเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวอย่างเนี่ยแต่พระโสดาเนี่ยท่านก็กระทบนะท่านก็มีความสศกความเสียใจ อเจ้นางวิสาขาหลานตายไปก็ร้องโผงร้องไห้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าสงสารหลานที่ตายไปพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอต้องการมีหลานกี่คนคือนางวิสาขานี่มีหลานเยอะฮมีลูกยี่สิบลูกแต่ละคนนั้นมีลูกคนในสิบนะฮะสองสองสองสองสองก็สี่เขมีหลานสี่ร้อยเออเธอก็ไปกราบทูลว่าอยากจะมี ลูกหลานเนี่ยเท่ากับคนในกรุงผาากรุงสาวัตถีเนี่ยพระเจ้าเราสั่งถามมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่เขามีคนตายว่าละกี่คนนะเขบอกไม่แน่เก้าคนบางสิบคนบางยี่สิบคนบ้างนะบางทีก็มีเหตุการณ์หนึ่งแรงก็ตายเป็นร้อยก็มีพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเน่ยถ้าหลานเธอมีจํานวนเท่าเนี้เธอก็ต้องร้องไห้น้ําตาเธอก็ต้องนองหน้าอยู่ตลอดระยะเวลาเอันนี่คือจะได้คิดเนี่ยการมีเนี่ยมันเป็นถูก การไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่มีเลยเนี่ยก็เป็นทุกข์นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคนต้องรู้สึกว่ามีปัจจัยสีต้องมีปัจจัยสีการมีพอสมควรพอสเมเอ็มประโยชน์เขาเรียกว่ามัดดันอยู่เนี่ยพอประมาณพอเหมาะพอควรเนี่ยก็เป็นเหตุให้สําเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการดังนั้นไอ้ศีลระดับทั่วๆไปหมายความมาตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ สามัญชนขึ้นไปจนถึงพระยะบุคคลระดับระดับที่เจ็ดนะก็อาจจะหวั่นไหวบ้างแต่ว่าระดับพระหานแล้วจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกระแทกกระทันยังไงก็ตามก็ เ, เรียกว่าเป็นการหลุดพ้นที่ส ง, งบแล้วก็ไม่กําเริบไม่ว่าจะมีการกระทบมีการกระแทกมีการกระทุง้งมีการกระทําแต่ว่าใจท่านจะไม่กระเทือน หรือจะอยู่สงบอยู่อย่างนั้นตุ้งรูปมาไว้เป็นนั้นมากนะมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยจิตใจของท่านน่ะเหมือนกับแผ่นดินเครจะทิ้งของสปกปรกลงไปของสะอาดลงไปน้ํำหอมเครื่องดอกไม้แต่ไทยต่างๆหรือว่าอย่างตอกเข็มสมัยปัจจุบันเนี่ยยังนึ ก, กว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยลักษณะทางธรณีวิทยาเนี่ยมันจะเป็นยังไงทางเดินของน้ําใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นยังไง ด้านนันนานเข้าในโลกมันจะเป็นยังไงก็ <_ d ance> เป็นเรื่องที่น่าคิดนะะแต่ว่าปัญหาว่าเขาศึกษาสมรวจกันหรือเปล่าว่าตอกเข็มลงไปในไปทับบนเส้นน้ําบ้างไหมซึ่งแน่นอนว่าการการตอกเข็มเนี่ยเขาก็วัดระยะจากข้างบนนะอาจจะสมรวจอะไรบ้างข้างล่างแต่ก็ไม่น่าจะไปคํานึงถึงกระบวนการธรรมชาติจะมันจะเกิดความเสียสมดุลขึ้นในในธรรมชาติข้างล่างได้ดินเนี่ยเขาคิดกันหรือเปล่าก็ามองกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน าการศึกษาตรงเนี้เ ป, นเป็นการมองในแนวของศีลที่มันมีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งมันก็ข้าวประเภทตรงนี้ที่จริงอยู่ในปฏิสัมภิทาม a r k นะไปสัมภิทา mark ยานแกถาเป็นการเขาบอกว่าเป็นผลงานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นคนอธิบายขยายความไว้พระสารีบุตรนี่ท่านเทศท่านอธิบายอะไรลึกซึ้งยากมาก เรียกว่ามืนก็แล้วกันแหละพออ่านเข้าไปบางทีก็มืนหัวเลยคือเข้าใจยากแต่วลึกซึ้งนะฮะสมบูรณ์มากท่านจําแนกเอาไปเป็นห้าข้อด้วยกันคือศีลที่ทําหน้าที่สละซึ่งบาปหมายความว่าการละนั่นเองการละบาปทั้งปวงนั่นเองพูด ง, ง่ายๆว่าการละบาปทั้งปวงนั่นเองก็เป็นศีลระดับหนึ่งทีนี้การเว้นคือไม่พูดไม่กระทําไม่ล่วงละเมิด เมื่อมีเหตุมีมีเหตุกระตุ้นให้เกิดร่วงระเมิดมันก็เกิดการเว้นตรงนี้เรียกว่าเวรมณีศีลที่เราอะไรล่ะสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีมันเป็นเจตจำนงของผู้สมาทานศีลเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพระที่จะเกณฑ์โยไม่มาสมาทานศีลไม่ใช่อย่างนั้นและการที่สามนั้นเป็นเจตจำนงเป็นความงดเว้นซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะ เจตนาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ได้แล้วก็เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็งดเว้นไม่ร่วงระมื อ, เ, อเจตนาที่เกิดขึ้นจากการสมาทานก็ได้เจตนาที่เกิดขึ้นจากการตั้งสัตยาธิฐานไว้ภายในใจว่าจะไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่ผิดลูกเมียตลอดชีวิตไม่รักขโมยตลอดชีวิตอะไรต่ออะไรเนี่ยคือยังนึกถึงว่าเนี่ยเรื่องการผิดลูกผิดเมียเลยนะกับการเสพถึงเจ็บติดเนี่ย มันเป็นธาตุกิเลสเกินไปอ่ะนะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายและก็น่าสังเกียจแต่มันมีโมหะมันมีราคะไม่กลัวบาปกลัวก ร, รันนะแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแพร่หลายอยู่ในโลกเลยเราฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องมันเรื่องเนี่ยเอาเล่าออกอากาศไม่ได้อ่ะแต่ว่ารู้มาคือพระนี่มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ญาติโยมไม่เคยรู้ คือชาวบ้านเขาจะไปเล่าไปประรบเรื่องราวต่างๆเด็กก็ประสบเปลเ่็นได้ฟังในเยอะเลยบข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยข้างนอกเขายังไม่รู้นะพระรู้นะพระประมงจะรู้เดี๋ยไม่พูดอันเด็แต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามศึกษาทําความเข้าใจในแง่ของธรรมะล้วก็เห็นว่าเออโลกมันก็ตกต่ําลงไปโดยสภาพแวดล้อมด้วยจิตใจด้วยมโนธรรมสํานึกของค น, นก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างท้าทายต่อองค์กรทางศาสนาว่า เมื่อปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะนี้องค์กรทางศาสนาควรจะมีท่าทีอย่างไรควรจะปรับบทบาทมันรุนอย่างไงจึงจะป้องกันลดลาปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดบาปแก่ท่านเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ได้ทําแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้อนุเคราะห์โลกคือเราไม่มีหน้าที่ตรงหรอกไม่มีหน้าที่ที่ว่าเราจะมีหน้าที่สั่งสอนประชาชนหรอกว่ากนตามความจริงแล้วก็เขาก็ต้อง อยู่ในฐานะที่ควรแก่การสั่งสอนแล้ว ก, ก็ยอมรับสถานับถือสถานภาพของเราคือไม่ใช่ว่านิ่งๆไปสั่งสอนก็ได้หมดทุกคนทีนี้ศีลที่เกิดขึ้นจากการสังวรเ็า<ม>เรียกว่สังวรศีลเนี่ยคือระมัดระวังไม่ล่วงละเมิดไม่พลังพลาดไม่ให้กระทำผิดบทปัญญาตรงนั้นแล้วก็จบมาด้วยวิติกรมะคือรักษาตามบทปัญญาของสิกขาบทนี่สิกขาบทเาว่าว่ายังไง บัญญัติว่ายังไงเราก็พยายามสํารวมระมัดระวังรักษาให้เป็นไปตามนั้นเรียกว่าศีลที่เกิดขึ้นจากการไม่ร่วงละเมื่อทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ว่ามาก็นานหลายวันนะนะก็สรุปแล้วก็ที่จริงก็คือเรื่องศีละบารมีที่เมื่อก็เกิดขึ้นแล้วก็ทาหน้านที่ขจัดกิเลสให้าจางไปคลายไปลดละบรรเทาไปได้โดยลาดับต้องฟังเท่าไหร แต่ ร, ระบบปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้กงามไพบุ์ในธรรมตัมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี